พึงถวายน้ำรับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเก็บงาไว้เมื่ออาจารย์ลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บท่าที่นั่นรบพึงกวาดถ้าอาจารย์ต้องการจะเข้าหมู่บ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายประกคดเอวถวายสังคติที่พับซ้อนกันล้างบาดแล้วถวายพร้อมทั้งน้าถ้าอาจารย์หวังจะให้เป็นปัจฉาสมณะพึงนุ่งให้เรียบร้อย ปกปิดได้ปริมณฑลสามคาดประคดเอวห่มสังคติที่พับซ้อนกันกลัดลูกดุมล้างบาทถือไปเป็นปัจฉาสมณะของอาจารย์พึ่งเดินไม่ให้ห่างนักไม่ให้ชิดนักพึ่งรับบาทที่มีของบรรจุอยู่เมื่ออาจารย์กำลังกล่าวไม่พึงกล่าวสอดขึ้นในระหวา่างอาจารย์กล่าวถ้อยคำใกล้ต่ออาบาดพึงห้ามเสียเมื่ออาจารย์จะกลับ พึงมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้พึงเตรียมน้าล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาดและจีวอนพึงถวายผ้านุ่งอาศัยรับผ้านุ่งมาถ้าจีวอนชุ่วเหมือพึงพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึงทิ้งไว้ที่แดดพึงพับจีวอนเมื่อจะพับจีวอนพึงพับจีวอนให้เหลือมุมกันสี่นิ้วตั้งใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับ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 ถวายตั๋งสำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางณที่สมควรจึงถวายจุรนและดินถ้าสามารถพึงเข้าเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดพระเทระไม่พึงกีดกันอาสนะพระนวกะพึงทำบริกรรมแก่อาจารย์ในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือตั๋งสหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟ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 ถ้าฟ้าที่เขาทาน้ำมันหรือพื้นทาสีดำขึ้นราควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ดถ้าเป็นพื้นไม่ได้ทาพึงใช้น้ำประพรมเช็ดอย่าให้วิหารคลาคล่ำด้วยฝนลองพึงคัดอยากเย่อไปทิ้งณที่สมควรพรมปูพื้นพึงพึงแดดชําระตบคนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงพึงแดดเช็ด ขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงตังพึ่งพึงแดดชำระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูกหมอนผ้าพปูนั่งผ้าพปูนอนพึ่งพึ ง, พ ง, พงแดดชำระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพระนกพิงุณพึ่งพึ ง, พ ง, พงแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมพึง่งเก็บบาดและจีวร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 ถ้าน้ำฉันน้ำใช้ไม่มีพึงจัดระเตรียมไว้ถ้าหม้อชำระไม่มีน้ำพึงตักน้ำใส่หม้อชำระถ้าอาจารย์เกิดความไม่ยินดีอันเตวสิกพึงช่วยระงับหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงทำมีกถาแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์เกิดความรำคาญอันเตวสิกพึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือพึงแสดงทำมีกถาแก่อาจารย์ ถ้าอาจารย์เกิดความเห็นผิดอันเทวศิกย์พึงให้สละเสียหรือพึองบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสียหรือพึองแสดงธรรมีกถาแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องอาบัติหนักควรแก่พริวาทอันเทวศิกย์พึงทําการขวนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอะส่งพึงให้พริวัดแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมอันเทวศิกย์พึงทําการขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงพึงชักอาจารย์ให้เข้าหาอาบัติเดิมถ้าอาจารย์ควรแก่มานัดอันเตวศิกพึงทำการควรขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทสงพึงให้มานัดแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์ควรแก่ผานอันเตวศิก์พึงทำการควรขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงพึงาผานอาจารย์ถ้าสงต้องการจะทากรรมคือตัชนยกรรมนิสยกรรมปปาชนยกรรม ปฏิสรณียกรรมหรืออุเคปนียกรรมแก่อาจารย์อันเตวาสิทธ พ, พึงทำการขวนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอส่งไม่พึงทำกรรมแก่อาจารย์หรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอาจารย์ได้ถูกสงลงตัจชนียกรรมนิยสกรรมปพาชนียกรรมปฏิสรณียกรรมหรืออุเคปนยกรรมอันเตวาสิกธ พ, พึงทำการควนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนออาจารย์พึงกลับประพฤติ ช, ชอบพึงหายเย่อหญิง พ, พึงกลับตัวได้สงพึงระงับกรรนั้นเสียถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องซักอันเตวสิกพึงซักหรือพึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอคลาคลพึงซักจีวรของอาจารย์ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องตัดเย็บอันเตวสิกพึงตัดเย็บหรือพึงทำการควนข ว, นขวายว่า ด้วยบายอย่างไรหนอใครๆพึงตัดเย็บชีวรของอาจารย์ถ้าน้ําย้อมของอาจารย์จะต้องต้มอันเตวัสิกพึงต้มหรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอใครๆพึงต้มน้ําย้อมของอาจารย์ถ้าช <un> well ีวรของอาจารย์จะต้องย้อมอันเตวัสิกพึงย้อมหรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอใครๆพึงย้อมชีวรของอาจารย์เมื่อจะย้อมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเ ม, มือ่อหยาดน้ํายอมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปอันเตวาสิกไม่บอกอาจารย์ไม่พึงให้บาดแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับบาดของภิกษุบางรูปไม่พึงให้จีวอนแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับจีวอนของภิกษุบางรูปไม่พึงให้บริกานแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับบริการของภิกษุบางรูปไม่พึงโกนผมให้ภิกษุบางรูป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 อันเทวาสิกไม่บอกลาอาจารย์ไม่พึงเข้าออหมู่บ้านไม่พึงไปป่าช้าไม่พึงออกไปต่างถิ่นถ้าอาจารย์เป็นไข้พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าอาจารย์นั้นจะหายอาจริยวัตตกถาจบ